คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 เม z ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Innovation for Life ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovation for Life ค่ะนวัตรกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะสำหรับ Innovation for Life ในสัปดาห์นี้เราจะพูดคุยการเกี่ยวกับการยกระดับ พัฒนาฝีมือนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้าชมคูนันนาได้ใช้นวัตรกรรมยกงานครับรับงานการขยายตลาดฝ้ายทอมึงค่ะเราจะพูด ค, คุยการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชินานาธวิทยาประกาศ กระพากรนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจาําคณะพิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเราจะมาพูดคุยกันว่างานฝ่ายทอมือจะมีการใช้นวัตกรรมในการยกระดับผลงานนี้กันอย่างไรบ้างอีกสักครู่เดียวเราจะได้พูดคุยรายละเอียดกันค่ะศูนย์นวัตกรรมความรู้ rmutt innovation and knowledge center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี เปิด่ซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 i n n โ v a t i o น for Life ในสัปดาห์นี้ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชิคานาพุทยากรภากร อ, อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งท่านจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมยกงานระดับฝีมืออย่างไฟทอมือโดยใช้นวัตกรรมการสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ จะขออนุญาตสอบถามเบื้องต้น น, น, นะคะเกี่ยวกับการใช้นวัตรกรรมที่บอกว่านํามายกระดับการขยายตลาดฝ้ายทอเมืองอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะว่าจุดเริ่มต้นมันมันเริ่มมาจากตรงไหนก่อนนะคะค่ะจากที่แทงมาเล็ร้านมาเข้าไปทํางานนะคะในพื้นที่ของอําเภอหอดัส บ, บเชียงใหม่นะคะเราก็มีการพูดคุยและก็รับโจทย์จากสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปผลิตภัณฑ์ผ่าและสินพอผู้เมืองนะคะใน เพราะว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะคะถ้าไสทองมือ้องสีธรรมชาติของอำเภอขอดอ่ะค่ะก็จะมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะแต่กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนนะคะกลับไม่สามารถผลิตได้ทนันตามต้องการของตลาดค่ะอาจจะเนื่องจากสมาชีกน้อยะค่ะแล้วก็ปัญหาด้านคุณภาพของอชิ้นงานนะค่ะ อืมค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของการพัฒนาอ่าเรียกว่าไฟล์ทมือที่ที่อาจารย์ได้ได้ได้ร่วมกันคิมคนขึ้นเนี้ยค่ะเอ่ออะไรหรือว่ามันมันมีการแบบขอความร่วมมือเข้ามาหรือว่างานในลักษณะนี้อาจารย์แล้วก็ทีมงานทำอยู่แล้วอะคะ ค่ะใช่ค่ะสำหรับอาการทํางานของมทรย้านลานะคะเราเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนนะคะก็จะมีพื้นที่การทํางานในอ่าจังหวัดในภาคเหนืออยู่แล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอ่าโจทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโจทย์ในกลุ่มของพื้นที่การทํางานเดิมแล้วก็กลุ่มเดิมที่เราทํางานอยู่เขามีการร้องขอเข้ามาค่ะเราก็จะนํานักวิจัยลงพื้นที่เพื่อดูว่าอ่าสถานการณ์ใปัจจุบันของเขาเป็นอย่างไรจากนั้นก็จะมีการเชิญทางกลุ่มเข้ามา เวิร์กช็ประชุมในอมหาลัยของเราะคะ่ะแล้วก็เพื่อพัฒนาโจทยวิจัยนะคะให้สมบูขึ้นนะคะอืม้มค่ะอาจารย์ค่ะเราฝ่ายทอมือที่อาจารย์เรียกว่ามีการร้องขอเข้ามาเนี่ยอ่เรียกว่าเคสแรกหรือว่าครั้งแรกที่เข้าไปพัฒนาอาจารย์ร่วมกั บ, กบอำเภอหรือตําบลไหนก่อนนะคะค่ะเราเริ่มจากเทศบาลบ้านตานนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตําบลของนาคอเรือคะ่ะ เพราะว่าสองพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ของกลุ่มอทอผ้าด้วยมีที่เป็นกลุ่มหลักอะค่ะของอนเภอหอดค่ะแล้วก็มีอปริมาณของผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะค่ะ อืมค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปริมาณเรียกว่าการผลิตฝ้ายทอมือใช่ไหมคะผ้าทอมือเนี่ยออกมาเยอ ะ, ะและผ้าทอมือที่ว่าผลิตออกมาเยอะเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนคะจะเป็นเสื้อเป็นแบบผ้าผ้าพื้นๆทั่วไปหรือว่าเป็นผ้าหนุ่งเป็นลักษณะไหนบ้างอะคะอ๋อค่ะอันนี้จะเป็นโจทย์ของกลุ่มกางน้ําเราอะนะคะก็คือคในรูปแบบเดิมๆของเขาอะค่ะก็จะเป็นที่ ธรรมดาสําเร็จรื่เป็นชิ้นธรรมดาค่ะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อสูทชุดทํางานธรรมดาหรือเสืผู้หญิงที่เป็นตรงคสวยงามค่ะแต่ยังขาดในเรื่องของที่เขาต้องการคือพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยมีกลุ่มกองวัยรุ่นได้ไหมหรือมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นอย่างนี้ยค่ะมีรูปทรงเป็นพื้นเป็นอะไรขึ้นขึ้นได้ไห้หนึ่งเะคะหรือก็เป็นการสร้างโจทย์ร่วมกันนะค่ะอืมค่ะเพราะต้องบอกว่ายุคหลังๆเนี่ยต้องอิทธิพลจาก จากละครย้อนยุคหลายๆเรื่องอะค่ะอาจารย์ทำให้ผ้าทางผ้าอผ้าทอมือเนี่ยทางเหนือเนี่ยที่เอามาปรับเป็นผ้าซิ้นก็ดีเป็นเสื้อก็ดีเนี่ยนระับความนิยมอย่างมากทีเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ในในในช่วงสองสามปีที่มาที่ผ่านมาที่นี้ในส่วตรงนี้ค่ะในรูปแบบหรือการพัฒนาเนี่ยค่ะได้ได้มีการพัฒนาอย่างไรบ้างคะให้ให้เกิดตรงกับความต้องการของตลาดอะค่ะ ค่ะในส่วนของอ่าในเรื่องของความนิยมในเรื่องของอละครเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทิ้นรูปแบบยังคงเป็นรูปแบบทรงแบบเดิมๆ เ, เพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของการคุณค่ณคาในงานผ้าค่ะเรายังค ง, งรกักษาลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์โบราณเอาไว้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้คงอยู่อะค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของคุ ณ, ค, ค, ณค่าในงานผ้าค่ ะ, คะ อมค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างถ้าจะถามว่าผ้าสิ้งทางทางเหนือทางล้านนาเนี่ยโอ้มันมีหลายรูปแบบเลยที่เราเห็นจากละครที่เป็นที่ยอดนิยมหรือว่าเอ่วัยรุ่นอยู่ในเขาก็นิยมใส่กันเนี่ยแล้วถ้าจะบอกว่าเอ่อสิ้นหรือว่าผ้าที่จาบอกว่าอนุรักษ์เป็นเป็นเป็นอนุรักษ์ในในแนวแนวพื้นถิ่นอะนะคะ ค่ะเราจะบอกว่าเป็นเป็นลักษณะแบบไหนคะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไงถ้าถ้าเลกถึงผ้าทอที่ที่อาจารย์ไปดูแลอยู่อ่ะค่ะค่ะก็จะมีตั้งแต่รวดลายโบราณจะเป็นลายเก็บเป่านะคะของของทอดนะคะจะมีลายไก่ลายอะไรอย่างนี้ยค่ะที่เราต้องคงไว้อย่างเช่นลายจกแต่ถ้าอย่างี้เป็นยังไงอะคะลายจกมันจะแพงมันจะเป็นัมันจะมีจกที่มัจะมีใีอีกรูปแบบ เยอะมากค่าหลายสิบลายมีจกหลายหลายแบบอีกนะคะเพราะฉะนั้นแต่จกเนี่ยจะมีในเรื่องของราคาที่ถูงเพราะฉะนั้นทางนักวิจัยเราก็จะมีการดึงเลือกลายบาันรวบลายของจกออกมาใส่ในภาพถุงนนะคะก็คือพอเราดึงรวบลายมาปุ๊บอ่ามันก็จะมีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นเวลามาตัดเป็นเสื้อผ้าอ่าลำลองเป็นชุดทํางานก็สามารถจะใช้ได้และราคาก็าจะลดต่ำลง ถ้าถท่านจะถึงจุดคงจะมีเรื่องของราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้า <c oughs> ดเราดงลายที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ออกมาค่ะ <c oughs> ก็จะทาให้ราคาที่เ<ม>ข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าผ้าทิ้นทางล้านนานี่หรือว่าผ้าทอทางล้านานาเนี่ยถ้าเป็นลายจกก็เป็นเป็นที่แบบว่าเป็นอนุเป็นลายอนุรักษ์เป็นลายดั้งเดิมแล้วก็ค่อนข้างมีราคาแพงเจากม้วนทีหรือกระบวนการผลิตมันมันซับซ้อนใช่ไหมคะอาจารย์ และกลุ่มกลุ่มกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่กําลังซื้อแล้วก็จะนำแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าตัดเป็นชุดแล้วเพราะมันแพงค่ะดังนั้นเราสามารถสร้างผลิตภัณฑอื่นที่ยังคงความมีตกมีลายชิ้นเมืองแต่ราคาที่เขาถึงได้แล้วก็นำมาตัดเย็บก็ไม่ได้สูญเสียได้ไรณี้ค่ะก็ทําให้เกิดทางเรื่องให้กับผู้บริโภคมากขึ้นค่ะและกลุ่มใบมุ่งก็เข้าถึงมากขึ้นค่ะ ค่ะ <im itation> ซึ่งผ้าที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ใช้นวัตกรรมนั่นแหละซึ่งก็ห ย, ยิบเอาผ้ า, าลายเดิมๆดั้งเดิมแบบอนุ ร, ร<ช>ักษ์ค่ะปรือปรัชญาธทรดั้งเดิมนั่นแหละเอามาพัฒนาให้มันสามารถที่จะสนใส่ได้ในหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ราคา<ช>ก็ค่อนข้างที่จะเบาลงมาหน่อยวัยรุ่นหรือ ว, ว่า ค, คนทำงานก็สามารถ น, <ะ S 2> นามาใช้ได้แต่ก็ยังคงอนุรักษ์ ผ้าลายแบบพื้นถิ่นอยู่อาจารย์คะแล้วอย่างนี้อที่อาจารย์บอกว่าใช้ใช้ใช้นวัตรกรรมมาช่วยแบบว่าหยิบลายจุดนี่แหละมาพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นรูปแบบดั้งเดิมแต่ว่าราคามันค่อนข้างที่จะเอเบาลงมาหน่อยถูกลงมาหน่อยก็ว่าเถอะอ่านวัตรกรรมที่ว่านี้มันคืออะไรอ่ะคะอาจารย์ค่ะตรงในส่วนนี้จะเป็นส่วนการน้ําซึ่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกษรรมศาสตร์โดยสาขาสินทองของเราดูแลอยู่นะคะ จะเป็นปรัฒนธรรมของอการอ่าออกแบบดีไซน์นะคะในส่วนของอ่าผลิตภัณฑ์ค่ะมีการเพิ่มเทคนิคการต่อต่อผ้าร่วมกันจับการปร ะ, ะด้วยมือค่ะทําให้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้นแล้วก็เศษผ้าที่เหลือก็มาทําหมวกเขาได้มากขึ้นนะคะอันนี้ในส่วนกางน้ําที่มีการเพิ่มรูปแบบรูปลักษณ์ขึ้นก็จะมีจุดก้นน้ําค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เข้าไปพัฒนางานในเรื่องของคุณค่าและคุณภาพของท่าท้ายทอมีนที่มีปัญหาเรื่องชีตกหรืออกาอน่อาปริมาณกําลังการผลิตแล้วก็พัฒนากี่ชอ์กึ่งอัตโนมัติที่ยังคงความเป็นท่าทอมีนค่ะแต่มีกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทําให้อ่า ท, ทอเนี่ยมีรายได้จากการทอมากขึ้นนะค่ะอันนจะเป็นเร่องของต้นน้<ม>ําที่มีการใช้เทคโนโลยีและวัตกรรมเข้าไปช่วยส่งเสริมค่ะอ<ม>ค่ะ ก็ต้องบอกว่าทั้งทั้งในส่วนต้นน้ําแล้วก็กลางน้ําเนี่ยใช้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะเข้าไป <Okay. S 1> ด้วยใช่ไมหมคะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะที่บอกว่านํามาตัดต่อลายผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใช้นวัตกรรมในส่วนของเรียกว่าอ่าต้นในในการเรียกว่าผ้าผ้าทอผ้าทอมือในจุดเริ่มต้นจะจะบอกเงยค่ะมันมันตั้งแต่การล้างเลยค่ะการล้างปกติเขาล้านจะล้างด้วยน้ําสะดู่ แล้วก็ถึงน้ําสมุนต้องต้นไล่ไขมันด้วยนะคะและวจากนั้นก็ต้องใช้น้ำล้างอีกสามรอบซึ่งจะค่อนข้างใช้น้ําอย่างตื้นเตียงอะคะ่ะทีนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีไมโครอนโนบับเบิล น, นะคะในการล้างก็จะเป็นการล้างแบบเย็นไม่ต้องใช้เรื่องของอุณหภูมิความร้อนและไม่ต้องมีปัญหา่าการใช้สบู่สารี่มีสกค้างในสีละ้อมไม่ต้องใช้น้ําล้างน้ําสบู่อีกสามรอบไปนะและลดการใช้น้ําลงได้ถึงเจ็บ้าเอร์เซ็ะคะ่ะ แะราลัางน้ำเดียร์แค่ทีไว้นี่คือนวัตรกรรมที่นี่แค่แค่การตะลังนะคะก็จะมีนวัตรกรรมการตกัดสีจากพืชธรรมชาติอีกค่ะในเรื่องของอ่าทางเหมืองงานของอ่า R e e, e e ของมหาลัยเราอะนะคะก็จะมีเทคโนโลยีการตะกัดสีจากพืชด้วยสนามไฟฟ้าเพาอ่ะค่ะก็จะใช้กระแสไฟฟ้าในการสกัดสีนั้นจากที่ชาวบ้านต้ม เปลือกม้มีพื้นค่ะก็จะเหลือประมาณสิบถึงสิบห้านาทีในปริมาณโอ้ห้าถึงสิบลิตรนีนคะคะ น, นี้เวลามันก็จะใหญ่ขึ้นค่ะอตอนนี้ยังในส่วนขอต้นแบบที่เราจะขยายให้สามารถรองรับสตัวที่ใหญ่ขึ้นค่ะได้ถึงว<ต>่าได้ภาพว่าที่มันเร็วขึ้นนวัตกรรมมาช่วยให้การทํางานเร็วขึ้นแล้วก็ลดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะก็จะไม่มีการใช้ความรเคมีชนิดะบู่ค่ะ ไม่ต้องนัตต้มไม่มีอ่าพวกเรื่องของหอกควันที่เพิ่มขึ้นเพราะชาวบ้านจะใช้ใช้ถ่านจากเขาธรรมชาติอะค่ะต้มเช็ซีนใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะลดปัญหาที่ทางเหนือนเจอเจอหมอกควมมันแม้จะเล็กน้อยนะคะเราก็มันก็เป็นจุดหนึ่งเนาะดังนั้นปัญหาเรื่องของค่ะความชื้นของเส้นได้ค่ะพอล้างพอย้อมต้องตัดการตัดเป็นใหญก็คือตัดธรรมชาติด้วยแดดบางทีไม่มีแดดเนี่ยค่ะ เส้นได้ก็สาดพิ้นมีขิงหิ้พรานาแล้วก็เสียดเชื้อราไงค่ะก็เป็นปัญหาในการทอเป็นท่าปีนมะทางมหา ล, ายลัยเราก็มีการสร้างแบบเครื่องอ่าปดพลังงานอ่าแสงอินฟาเดทร่วมกับอ่าเซ拉เซลค่ะแล้วก็มีการจับข้อมูลในช่วงวิสัยค่ะแล้วก็เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้เตอบได้ในชุดโอกา ส, สนสีนส้ว่าจะฝนตกหรือว่าหน้าฝนนะคะซึ่งเครื่องนี้นี่แบบเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะทําให้อ่าเขาสามารถ เพิ่มลังการผลิตสามารถผลิตข้าได้ตามออเดอร์ของลูกค้าเพราะบางังทีข้าพไม่ด้ไม่แห้งก็ไปทอไม่ได้ทอไม่เป็น <c oughs> ไม่มีค้าวผืน <c oughs> ผก็ไปจับเย็บไม่ได้มันจะเป็นห่วงโซ่ของค่าอย่างที่ทางโครงการนี้ยได้ได้ให้เราทํางานนะคะจะต่อเนื่องกันเป็น <c oughs> อื่นค่ะและหลังจากนั้นพอรเราได้เส้นได้จากการอบแล้วแล้วก็มาเชื่อมโยงกับิ่นพอข้าสินอัตโนมัติซึ่งเราได้รับความชื่มจากในโยบีของสกอสวอค่ะว่ามันจะเป็นเครื่องแรกของเมืองไทยที่แบบยังคงการใช้มือสปบ แต่มีการอัตโนมัติในการดึงอ่าเครื่องที่ทําให้ผ้าเส้นได้กระทบกันอะไรเงี้ยคือมันมันมีสิ่งอัตโนมัติทําให้ยังคงผ้าความเป็นผ้าทอมือถ้าถ้าเราใช้เครื่องอัตโนมัตินะคะเส้นได้หรือว่าผ้าทอมือจะเรีย่ยมันจะมอออกเลยค่ะว่านี่ทอเครื่องหรือทอมือแต่เครื่องของเราจะเห็นได้ชัดว่ายังคงเป็นผ้าทอมืออยู่แต่เร็วเหมือนอ่าทออัตโนมัติค่ะ อือค่ะอาจารขาทั้งหมดที่อาจารย์ได้สรุปมาให้เราฟังนะคะขั้นตอนหรือกระบวนการในการทดลองเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาอย่ารแค่ไหนคะในส่วนของการทำงานนะคะหลังจากเราพัฒนาข้อเสนอ ง, งานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะเรามีเวลาในการทํางานทั้งหมดกี่เดือนในการทํางานวิจัยอะนะคะค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนเดือนที่ไม่ใช่เป็นเดือนที่เก้าแล้วค่ะค่ะอืมค่ะแล้วมีการแบบ จัดอบรมให้กับชุมชนหรือว่ากลุ่มว่าอ่าที่ทอป้ายทอมือเนี่ยค่ะค่ะกำลังจะมีการเข้าไปพิจักถามค่ะระหว่างที่มีการทํางานวิจัยอยู่ในแต่ละขั้นตอนค่ะว่าแบบอ่าแบบนี้โอเคไหมแบบนี้ใช้ได้ไหมแบบเนี้ยเหมือนกับที่ทําอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ะะจะมีการสอบถามกัแบบนอยู่ตลอดค่ะแตบบ่ในเรื่องของการอบรมนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนหลังจากที่อ่าน่าจะประมาณเดือนหน้าค่ะ หลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยและสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นอบรมการใช้เครื่องอย่างสมบูรการดูแลรักษาการแมนเชนนะคะแล้วก็อ่าการใช้เครื่องให้มีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะในกระบวนการนี้เราจะเป็นอันในระหว่างที่ผ่าน ม, มาจะเป็นการร่วมกันพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีร่วมกันพัฒนารูปแบบดีไซน์ของผ้าค่าะแต่ในส่วนของการน้รําก็จะมีการการใช้งานแล้วขายแล้วค่ะ ติดใจผ้นานี้ออกขายแล้วค่ะเพราะว่าอ่าใช้ใช้ผ้าผ้าผ้าผ้าเดมที่ที่เขาทอค่ะคือยังไม่ได้ใช้เช้ผีผีของเราเนาะค่ ะ, คะก็คือว่าอผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ออกวางจำหน่ายแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่ากระบวนาการส่วนต้นน้ําหรือว่าอ่ากระบวนการในการผลิตผ้าผ้าผ้าฝ้ายที่จะนําไปทอเนี่ย ก็ก็กกำลังที่จะอยู่ในช่วงประมาณแปดเก้าเดือนใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์ได้ทดลองอยู่ค่ะค่ะมีการบมีการปรับความเหมาะสมค่ะค่ะให้ให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดอยู่ค่ะแต่ก็มีการอ่ามีการพัฒนาออกมาจากเครื่องบ้างเหมือนกันค่ะไอเราเราก็ยังไม่ถือว่าเป็นชิ้นงานค่ะค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์สรุปในส่วนของเอาที่ผลงานที่ผลิตภัณฑ์ ป้ายทอมูอที่ได้นําไปจาหน่ายแล้วค่ะผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะโอเคค่ะไม่เสื่องของการจัดําหน่ายเนาะจะมีทั้งสีและทรงนะคะจะมีทั้งขายแบบคาดทอยกม้วนนะคะแล้วก็ในแบบที่ปัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำมุขจุูมที่ทางกลุ่มอจปะปัดเย็บแล้วก็จัดจำหน่ายเองนะคะอย่างเช่นเสื้อคลุมก็ราคาประมาณพันสอร้ยห้าสิบตงเก่ ง, 50, งเก้า้อยห้าสิบจนเสื้อธรรมดาเก้ 50, าร้อยห้สิบคือจกเดิมเขาจะขายได้ราคาที่ ประมาณสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถยกระดับราคาของเขาได้ได้มากกว่าประมาณสีสิเอร์เซ็นนะคะทีนี้จากจากกลุ่มแม่บปรีนเราจะมีพัฒนาสกลุ่มเนาะกลุ่มแม่บปรีนจะเน้นเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อลําลองส่วนใช้สบายส่วนกลุ่มของแม่อัมพันธ์ก็เน้นเสื้อผ้าที่เป็นทางการชุดทํางานชุดออกงานพวกเสื้อเข้ารูปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่าในส่วนของธนายนะคะก็จะเน้ในในประเทศการออกซื้อตามงานเอท็อก ต่างๆทั้งในจังหวัดเองในส่วนของภูมิภาคแล้วก็ประเทศนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะเดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็จะมีผู้ประกอบการบินจากภูมิเทศมาติดต่อขอเป็นตัวแทนสั่งสมัยจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโองคการที่ดีมากๆของทางกลุ่มนะคะแล้วก็ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการเนี่ยพบว่ามียอดสำหน่ายที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะเก้่จากการพัฒนาคุณภาพก็มีการพัฒนารูปแบบดีไซน์ที่ทางสมัยขึ้นก็อย่างอย่างที่บอกนะคะก็ทั้งยังคงอัตลักณ์และคงคุณค่าความเป็นภาพใกล้ธรมเนีม ได้อย่างน่าภูมิใจเลยค่ะค่ะค่ะหากว่าใครที่ฟังอยู่เป็นกลุ่มชุมชนก็ดีที่ผลิตผ้าป้ายทอมือแบบนี้อยากจะใช้น ว, วัตกรรมหรืออยากจะศึกษาน ว, วัตกรรมของอาจารย์รวมถึงกลุ่มผู้ที่ว่านิยมสวใส่ผ้าสไตลยล้านนาโดยผลิตจากผ้าฝ้ายจะสามารถตริดต่อสอบถามหรือว่าจะติดตามผลงานได้ที่ไหนยอย่างไรคะ ตอนนี้อ่าก็น่าจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยเองนะคะก็คือในส่วนของมอทรลันมานะคะแต่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการเราก็จะทําสรุปองค์ความรู้ทําสถานที่ดูงานให้กับทางกลุ่มของแม่โบจีนนะคะกลุ่มอาชีพบ้านตานกลางแล้วก็กลุ่มแม่อําพันนะคะกลุ่มอาชีพผ้าใบอําพันรวมทั้งในส่วนของเทศบาลอ่าบ้านปานแล้วก็อง์การบริหารส่วนตําบนมาคอเรียด้วยค่ะ mm hmm. ค่ะ ก็ต้องก็ขอเป็นกำลังใจให้การในการพัฒนาในส่วนของต้นน้ำให้ให้สําเร็จโดยไวนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 70- 80แเอร์เต์แล้วนะใช่ไหมคะอาจารย์ในการพัฒนาใต้ต้นค่ะคือจริงจแล้วเครื่องอะไรของเราก็พัฒน า, าร่วมกันเสร็จแล้วคัะรองกลุ่แม่แม่เขาช่วงนี้แม่แออกมาเยอะมากค่ะเพราะมีงานมีงานเอ็กโปสินค้าการยาอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ย กัญญาแน่ๆจะเริ่มว่างแล้วก็ช่วงก่อนจะมีรานนาเอ็กโซช่วงมิถุนากรกฎาเอาสินค้าไปติ้งเทพนี่ค่ะล่าสุดก็เพิ่งไปเดมมาก็เห็นบอกว่าขายดีมากค่ะก็เลยคือไม่ค้ืเรอคิวเราไม่คือรอคิวเราค่ะนี่ก็คือแบบพอแม่แม่ส่วนหนึ่งออกงานแม่ที่บ้านต้องเพิ่มกําลังการผลิตอะค่ะต้องทำสต็อกรอเพื่อเดี๋ยวต้องไปอนกงานต่ออะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนั้นก็มีงานรามาเอ็กโซที่เชียงใหม่ปุ๊บก็มีต่อที่หนองคายต่อเนี่ยคือโอ้ ผิตก็ต้องผลิตต่อคืออย่างที่เราบอกเนาะว่าตลาดมีแต่จะพัฒนาคุณค่าและกำลังการผลิตได้อย่างไรเนะะี่ยค่ะนี่คือปัญหาของนักการค้าคนไทยเลยทีเดียวค่ะ ท, ที่เช็นเลยว่ากับกรรมต้องเข้าไปช่วยส่งเสริมค่ะ ค่ะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็สนับสนุนเอาใจช่วยแล้วตอนนี้ก็เห็นทิศทางความสุดใสของผ้าพื้นเมืองอย่างผ้า้ายทอเมือนะคะแล้วก็หวังว่านวัตกรรมที่อาจารย์ได้ทุ่มเททางานกับทีมงานเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เกิดรายได้แล้วก็เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืนในเรื่องของการอุรักษผ้าไทยกันด้วยขอบคุณ ม, มากๆค่ะที่อาจารย์มาร่วมพูดคุยนในวันนี้กับ รายการ Innovation for Life ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชิณานาวิทยาประพาพร ฝัหนึ่งค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะและในวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการ Innovation for Life ก็หมดลงแล้วติดตามรับฟังกันได้ทาง FM แปดสิบเก้ามโครเฮิรตส์รวมถึงคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุราชมงคลแถบบุรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลา Innovation for Life หมดลงแล้วขอลาไปด้วยเวลาถึงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life